สนามิเีสินนามิเมื่อขราวที่แล้วนเน่พวกปลาพวกเต่ากระโดโดโลดเต้นคนทั้งหลาย <c oughs> จะไปจับเต่าจับปลาอีต่างหากไอ้วัวควายที่ไปมัดมัดไว้ที่ชายหาดทะเลน่ยกระโดดโล ด, ด, ดเต้นตลอดอพอปลดเชือกเท่านั้นมนกระโดดทำไม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 เดือนสมเดือนสามดับพอเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นวันมาฆะมันวันวันมาฆะบูชา เ, เป็นวันเดือนสามแผ่นแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าไม่ใช่แปดสองโหนะวันนี้เป็นเดือนสี่ดับแล้วเนี่ยแต่นี่มัน8 2ดสองโหนคขายย่นย่อลงมาเป็นวันมาฆะวันพระก่อนนะ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 จากนั้น จ, จะทิมจะแทงคนไหนก็แทงได้ทิมได้แทงได้เพราะไม่มีกฎระเบียบแต่ถ้าว่ามีกฎระเบียบ ค, คือเมื่อฝนฝนมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ฝักไว้เอเอาใส่ฝักนั่นนะคือจริยะยควรจะเก็บไว้อย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้ า, าท่านสอนไม่ให้ได้สอนไปหน้าเดียวนะ อย่างการเข้ามา ส, สู่ชุมชนก็เหมือนกันท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้แนวความคิดและการอยู่ด้วยกันเนีว่ารรมันยุตาธรรมันยุตาสัพปริส ธ, ธรรมสัพปริส ธ, ธรรมธรรมของสัตวุรุษลสัตว ร, รุษคือบุบคคลที่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 ในหลักของพุทธศาสนาเหมือนกับเป็นของคนอื่นเรื่องของไกลจากเราแต่ตามไม่จริงสมาธิเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4ี่พุทธบริษัทสี่คือภิกษุสมัมเนนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาเก็คือโยมผู้หญิงให้สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือนี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยเรื่องพูดเรื่องเบื้องต้นว่า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 สมองคือในหัวของเรามีสมองคือมันสมองคิดปรุงเรื่องต่างๆแต่หลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนคิดลึกไปกว่านั้นอีกท่านว่าใจใจตรงนี้คื อ, คอนามธรรมามาใช้สมองอีกที่นึงสมองเน่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับสมองกลอยู่ในรถอย่างนั้น่ะถ้ารถราคาแพงๆงราคาหลายหลายล้านหลายสิบล้านมันจะมีสมองกลอยู่ในในรถคันนั้น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 ที่สิ่งที่มันเลวอย่างนั้นเนยโซเฟอร์จะต้องห้ามเลยห้ามกายเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิดีนะเนี่ยถ้าเมื่อเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็จับไม่ได้เราคิดเรื่องอะไรก็ไม่ได้เอเอแล้วเฮยลอยลมไปเลยเออมันออกไปทางด้วยมากใจของเรามั น, มนติดพบติดชาติมามันไหลไปทางต่ำาพราะพุทธยาว่ะมันชอบไหลไปทางต่ำ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 ขดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปะชัญญาในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเ จ, จ้าที่พระองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือถ้าว่าเป็นกอไก่ก็คือกอไก่ถ้าเป็นเอก็คือเอถ้าเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งคือจุดที่หนึ่ง ต่อจากนั้นก็ <c oughs> ขยาย <c oughs> ขยายผลเข้าไปถูกว่าจุดตูปปาตยานการจุติสัพสัตทั้งหลายการเกิดการตายของสัพสัตว์ทั้งหลายพอถึงเที่ยงคืนคือเมื่อที่แรกพระองค์มองพระองค์ก่อนปุกเพนิวาสานุสติยาน ล, ลึกชาติุ่นหลังได้มองพระองค์พอถึงเที่ยงคืนมองคนอื่นทถนี่มองคนอื่นมองอออกไปหาคนอื่นสัพสัตว์ทั้งหลาย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 เมื่อเกอิดมาเรียกว่าผลของมันผลของศีลท่าเกิดมาพบนายชาติหน้าก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีก เ, ออเมื่อพระองค์มองอว่าคนคนนี้ทําไมจึงมีเ อ, อเป็นบา้าเป็นบออย่างนี้ขาดขาดทติอย่างนี้ททนพระองค์ก็มองมอ ง, มอ ง, มองดูเออชาติที่แล้วเน่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 หลวงปู่บันท่านบอกว่าถ้ากำหนดลมเฉยมันลืมมันหลงมันเผลอได้ง่ายให้สามทับกับพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุธหายใจออกบริกรรมโทพุโทพุธโธพุโธในเมื่อเรามีสติสัมปะชัญญะอยู่ที่ตัวของเรารู้ตัวของเรานน่น่ะใจของเราจะรวมสงบ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 แต่อย่าไปกลึงอย่าไปเกรงนะไม่ใจผุหายใจวันหนึ่งนับไปเรื่อยไม่ใช่นะหายใจหายใจตามธรรมชาติมันเข้าไปเมื่อหายใจเข้าเนี่ยให้เรานับหนึ่งหายใจออกให้นับสองหายใจเข้านับสาหายใจออกนับ4ี่ห้าห ก, หก จ, จนถึงรอ้อพอถึงร้อยไม่เผลอถ้าไม่เผลอกลับมานับหนึ่งใหม่อีกแต่โดยมากมันเผลอนะให้ทดลองดูนะ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 รู้ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครเอ้สติของข้าดีและไม่ดีไม่ต้องถามใครให้รู้ด้วยตนเองนะให้ฝึกฝึกวันนี้ก็รู้ในวันนี้ฝึกเดี๋ยวนี้ก็รู้ในเดี๋ยวนี้แหละสติของเราถ้าหากว่าเราฝึกนับไปถึงสิบแล้วเบอรเอาเพลอะอกเบอร์เอาเพลอเอาย อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, นะอย่าไปไว้ใจนะอีกสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะถามเขาสู๊กูได้กินข้าวได้อย่างสู๊จว่าเองนะมันหลงครึ่งขนาดนั้นะ่ะ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 หายใจออกโทอถ้าตามปกติท่านจะให้นั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานนี่แหละมันจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาให้ตัวตรงแล้วก็นี่ข้าไปเจ้านั่งสมาธินั่นนี่ไอ้แค่บอกเตือนตนเองเนี่ยนั่งสมาธิหาหมุมสงบไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งเถลอศทลาอยู่กลางถนนข้างถนนเขาหมอลำสิงหมอลำหมู แซบแก้วหูจะแจ๊แชดจะไปหานั่งกับสมาธิก็ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ถูกมีกเหมือนกันนะสมาธิจุดนี้ต้องหามุมสงบเวลาเราจะนอนเวลาเราจะพักผ่อนเออเราปล่อยจิตปล่อยใจนานเกินไปแล้วเราควรจะเอาจิตให้มีพลังทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เน่งเพื่อจะเอาพลังเขาเอาพลังเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเนี่ยแหละ